สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสคนมหาสังฆปรินายก ที่หป่ามหาวันกรุงเวสาลีลิกจักชวีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ในกรุงราชคฤิสตามที่ทรงพอพระหฤทัยแล้วก็ได้เสด็จจากกรุงราชคฤิสไปยังกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูดาคานสาลาในป่ามหาวันกรุงเวสาลีเป็นเมืองหลวงของแกรนวัชีซึ่งเป็นราชอิสรภาพหนึ่งเวลานั้นมีความเจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองสวยงามท่านเล่าประบัติของราชตระกูลที่ปกครองวัดชีอันเรียกว่ารกจัชวีไว้ดังนี้ในอดีตพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาลนสศีแห่งแคว้นกาศีได้ทรงคันและประสูตรออกมาเป็นชิ้นเนื้อที่มีสีแดงก็ทรงละอายพระหฤทัยรับสั่งให้นำใส่เข้าไปในภาชนะแล้วตีตราบอกว่าเป็นประชา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 อย่างเป็นรอยเย็บด้วยเข็มจึงเรียกว่าปรินัทวีที่แปลว่ามีผิวหนังเหี่ยวย่นเรียกเพี้ยนไปก็เป็นฤิธจัชวีดาบโก็ลิ้งเด็กทั้งสองนั้นไว้แต่ก็ต้องเป็นกังวลเข้าไปบินทบาทในบ้านก็จนตะวันโดผู้โคบาลได้ทราบก็มาขอเอาไปดาบทนั้นก็ให้ไปและได้สั่งว่าให้เลี้ยงดูให้จงดีเมื่อเติบโตขึ้นก็จงอภิเศกให้เป็นคู่ครองกัน และจงสร้างบ้านสร้างเมืองให้คู่บางเหล่านั้นก็เลี้ยงเด็กทั้งสองนั้นไว้และก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ดาบทสั่งไว้ก็เป็นวงรัชทวีขึ้นคู่แรกนี้เมื่ออภิเศกกันแล้วก็มีอรรมีธิดาและก็อภิเศกในวงเดียวกันขยายออกไปจนถึงต้องขยายบ้านเมืองออกไปหลายครั้งเพราะฉะนั้นเมืองนั้นจึงเรียกว่าเมืองเวสาลีที่แปลว่าเมืองที่ขยายออกไป และแหวนนั้นเรียกว่าแหวนวัชีคือประเทศวัชีแปลว่าเป็นถิ่นที่พึงเว้นอาจจะหมายว่าเป็นถิ่นที่มีกําลังเข้มแข็งผู้ที่จะมุ่งจะลุกลานควรจะเว้นก็ได้แต่ท่านเล่าความหมายไว้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกษัตริย์ผู้เป็นต้นวงศ์ฤาษชาวจุว๋ยังเป็นเด็กอยู่ได้เล่นรังแกเด็กที่เป็นลูกของพวกโคบาลเด็กที่เป็นลูกของพวกโคบาลก็มาฟ้องบิดามารดาว่า ถูกเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่มาเล่นรังแกพิดามารดาก็ไม่พอใจสั่งให้ลูกงดเว้นและให้คบหากับเด็นทั้งสองนั้นแต่ชื่อนี้ถ้าหมายความว่าเป็นแวลนที่เพิ่งละเว้นเพราะเหตุที่มีกําลังมากก็เห็น จ, ะ, จะเหมาะเสด็จกรุงกบิลพัทกําเนิดพิกสุกีพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับที่กูตาค า, ารสาลาอันแปลว่าสาลาที่เป็นเรือนยอดในป่ามหาวัน ในขณะที่ประทับอยู่ในที่นั้นก็ได้ทรงทราบข่าวประชวนของพระพุทธบิดาตามเรื่องไดเล่าว่าเมื่อพระโอรสพระนัดดาได้เสด็จออกทรงผนวดหมดพระทัยทรงระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อประชวนลงก็ปรารถนาจะได้เห็นพระราชโอรสและพระราชนัดดาโดยเฉพาะก็คือพระพุทธเจ้าพระนันทะและพระอานน์เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบข่าวประชวนก็ได้รีบเสด็จไปยังกรุงกบิลพั์และได้เข้าเฝ้าพระพุทธบิดา ได้ทรงแสดงธรรมอบรมอยู่เป็นเวลาหลายวันจนพระพุทธบิดาเสด็จนิพพานคือท่านว่าพระพุทธบิดานั้นได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าอบรมจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และก็ได้ทูลลาพระพุทธเจ้าเข้านิพพานโดยมิพันจะได้อุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ได้ถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธบิดาเสร็จแล้วพระนามหาประชาบดีโคตมีพระมาตุฉาคือพระนานัง เมื่อพระเจ้าสุโธธนะพระราชศวามีสิ้นพระชนแล้วก็สมงดภาระจึงได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นิโคธารามในกรุงกบินพั์อันเป็นที่ประทับและได้ทูลขอให้มาตุคามคือสตรีได้ปวดเป็นอนาคาริยะในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธเจ้าได้ปราสปิเสธว่าอย่าให้มาตุคามยินดีเพื่อจะบวชในพระธรรมวินัย พระนางมหาประชาวดีโคตมีก็ได้ทูลอ้อนวอนถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิเสธทั้งสาครั้งพระนางก็ทรงกาแสงสี่พระไทยเสด็จกลับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่นิโคทารามในกรุงกบิลพัทตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วก็ได้เสด็จกลับจากกรุงกบิลพัทไปประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาฝ่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีโคตมี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 พระนางก็ได้รับสั่งบอกแก่พระอานนนพระอานน์ขอให้ประทับรอยอยู่ที่นั่นก่อนและก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทูลขอให้มาตุคามได้บวชในพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสปฏิเสธแก่พระอานน์พระอานน์ก็ได้ทูลขอถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสปฏิเสธถึงสามครั้งพระอานน์จึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าว่ามาตุคามคือสตรี เมื่อบวชในพระธรรมวินัยนี้แล้วจะเป็นผู้สมควรที่จะกระทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสัตถาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตต์ผลหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเป็นผู้สมควรที่จะกระทำให้แจ้งได้พระอานนท์จึงได้กราบทูลว่าถรามาตุคามคฤษตรีเป็นผู้ที่สมควรอย่างนั้นและพระนาง ม, มหาปชาบดีโคตมีก็ได้เป็นผู้มีอุปการะมากแด่พระพุทธเจ้ามาในเบื้องต้น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 ภิกษุณีที่อุปสมบทมาตั้งร้อยพรรษาก็พึงทําการกราบไหว้การลุกรับการกระทําอัญเชลีการทําสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทใหม่และในวันนั้น 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. ภิกษุณีพึงหวังทำสองประการจากภิกษุสงฆ์ทุกเกือกเดือนคือการถามวันอุโบสถและการเข้าไปฟังโอวาท 4. ภิกษุณีออกพรรษาแล้ว พึงประวนนาในสงสองฝ่ายคือในพิสุสงและในพิสุนีสงหพิสุนีเมื่อต้องครุธรรมคือต้องอาบัตหนัดก็พึงประพฤตมานัดปัดหนึ่งในสงทั้งสองฝ่ายหสตรีที่ศึกษาอยู่ในธรรมหข้อเป็นเวลาสองปีกล่าวคือรักษาศีลสิทธิรรของสามเณรนั่นแหละแต่ว่าตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อหโดยไม่ขาดตลอดเวลาสองปีอันเรียกว่านางศิษขมานา เมื่อได้ศึกษาแล้วดังนี้จึงอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายได้ 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงปริาพากภิกษุโดยปริยายอะไรๆทั้งนั้นและ 8. ภิกษุทั้งหลายสั่งสอนห้ามปราภิกษุณีทั้งหลายได้แต่ว่าภิกษุณีทั้งหลายจะสั่งสอนห้ามปราภิกษุทั้งหลายไม่ได้ถ้าพระนามมหาปชาบดีโคตมีกินดีรับรู้ธรรมทั้งแปดประการนี้จึงให้อุปสมบทได้ท่านพระอานนท์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 และทูลให้ทรงทราบว่าพระนางได้รับกรุธรรมทั้ง8ดได้อุปสมบทแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้ามาตุคามคือสตรีไม่พึงบวชในพระธรรมวินัยนี้พระมจร์คือพระศาสนาก็จะตั้งอยู่ตลอดกาลนานสัจธรรมก็จะพึงตั้งอยู่ตลอดพันปีแต่เพราะมาตุคามบวชในพระธรรมวินัยนี้พระมจร์ก็ไม่ตั้งอยู่ตลอดกาลนานสัจธรรม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 นี่เป็นหลักฐานชั้นบาลีในพระไตรปิฎกของเราแต่ว่าในชั้นอัตถกถาท่านได้มาแก้ไปว่าพระอาหารหันต์ที่ได้ปฏิสัมพิทาสีจะมีอยู่ในระยะหนึ่งพันปีแรกพระอาหารหันต์ที่เป็นสุขวิปัสสกะคือว่าที่ได้สําเร็จตัดกิเลสได้แต่ว่าไม่ได้ปฏิสัมพิทาสีไม่มีความแตกฉานหรือสุขะวิปัสสกะแปลว่าเห็นแจ้งอย่างแห้งแลง้งคือหมายความว่า ไม่ได้ความแตกฉานแต่ก็ทํากิเลสให้สิ้นไปนี่จะมีอยู่ในระยะพันปีที่สองพระอนาคามีจะมีอยู่ในระยะพันปีที่สาพระสกทาคามีจะมีอยู่ในระยะพันปีที่สพระโสดาบันจะมีอยู่ในระยะพันปีที่ห้าปฏิเวสสัตรธรรมสัตรธรรมคือมรรคผลนิพพานจะตั้งอยู่ห้าพันปีประยะสัตรธรรมคือการเรียนให้รู้พระพุทธศาสนา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 ในการปฏิบัติพระวินัยนั้นข้อเล็กๆ ก, ก็เสื่อมไปก่อนคือไม่ใส่ใจในข้อปฏิบัติพระวินยัยที่เป็นส่วนเล็กน้อยก็ขาดวิ่นเรื่อยไปจนเหลือแต่ปราชิกสีแปลว่ารักษาศีลสี่คือรักษาการเว้นปราชิกสี่ข้อไว้จนเมื่อมรักษาศีขาบททั้งสี่ข้อนี้ไว้เมื่อใดด้วยกันทั้งหมดเมื่อนั้นก็เป็นอันว่าถึงความเสื่อมทิ้นของการปฏิบัติ 3. ามปริยัต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 จะไม่เหลือเครื่องหมายที่เป็นเพศบันมาลคิตไว้เลยเมื่อนั้นก็ชื่อว่าเป็นลิงค์อันตรธานห้าธาตุอันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งธาตุหมายความว่าความเสื่อมสิ้นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งท่านพยากรณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าโอกาสหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสื่อมสิ้นไปนี่เป็นข้อของเรื่องศาสนาอันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งพระศาสนา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 เมื่อพระพุตรเจ้าได้ประทานคุรุธรรมเป็นการประทานอุปสมบทแก่พระนามหาปชาบรีโคตมีแล้วก็ได้โปรดให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทเจ้าหญิงสากิยานีที่ตามเสดมานั้นให้เป็นภิกษุณีด้วยกันสิ้นแต่ก็ต้องรับปฏิบัติในคุรุธรรมทั้งแปดประการนั้นด้วยต่อมามีครั้งหนึ่งพระนามหาปชาบดีโคตมีได้ขอให้ท่านพระอานุนทูลขอพระบุตรเจ้าข้อหนึ่งคือขอให้ภิกษุ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 เป็นไปเพื่อความสั่งสมกองทีเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความทุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความเกลียดร้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก <ส talented. S 2> ก็พึงส่งไว้ว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินยัยนั่นไม่ใช่สัตวศาสตร์คือคําสอนของพระาศาสดาส่วนธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสิ้นกําหนังย้อมใจเป็นไปเพื่อความไม่ประกอบอยู่กับทุก เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความหลีกออกจากสงบงียเป็นไปเพื่อความปารบความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี่ยงง่ายก็ขอให้พึงทรงไว้ว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่เป็นสัตว์ศัตธรรมะที่ตรัสแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีนี้ในนวโกวาทได้นํามาไว้ในหมวดแป และได้เรียกว่าลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยแปดอย่างในพรรษาที่ห้าพระพุทธเจ้าก็ได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีนั้นตามที่แสดงไว้แล้วว่าในพรรษาที่ห้านั้นพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีแห่งแค ว, ว้นวัชีมหาวันแปลว่าป่าใหญ่อยู่ใกล้เมืองเวสาลี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 ท่านแสดงว่าตัวสลาหลังนี้ได้สร้างยาไปตามทิศเหนือมาใต้หันหน้าไปทางที่ตะวันออกและระหว่างที่ประทับอยู่ที่นี้ได้เสด็จไปกรุงกบิลภพโปรดพระพุทธบิดาดังที่เล่าแล้วการเสด็จครั้งนี้พระอาจารย์กล่าวว่าเสด็จไปทางอากาศน่าจะเข้าใจว่าเสด็จโดยรีบ ด, ด่วนพระพุทธบิดาประชวรมากเมื่อพระพุทธบิดาสิ้นพระชนแล้วมหานามาสการซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระอนุทเทระ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 ในระยะนี้ก็ยังไม่ถึงวาระที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่กรุงสาวัตถีเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นดังนั้นก็คงจะเป็นที่เสด็จผ่านคือว่าจะริบผ่านไปและประทับที่พระเทตวันก่อนเข้าพรรษาแล้วจึงเสด็จต่อไปยังกรุงเวสาลีประทับณป่ามหาวันนั้นฤาษีอปริหานิยธรรมผ้าในระหว่างที่ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันนั้นจะเป็นในครั้งนี้ หรือในครั้งต่อมาไม่ปรากฏได้มีฤาชวีภูมานคือเจ้าชายหนุม่มราชตระกูลฤาชวีจํานวนห้าร้อได้ออกมาล่าสัตว์ในป่ามหาวันพร้อมกับพวกสุนัขสําหรับล่าสัตว์เป็นจํานวนมากครั้นมาพบพระพุทธเจ้าก็ได้พากันวางอาวุธและได้ต้อนสุนัขให้หลบไปในที่อื่นแล้วก็พากันประคองอัญเชลีฝ้อพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอาการอันสงบในครั้งนั้นเจ้าฤาชวีองค์หนึ่ง มีพระนามว่ามหานามะทรงดำเนินเล่นมาทางนั้นเมื่อได้มาเห็นิชวีกุมารเหล่านั้นเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอาการอันสงบจึงได้กราอุทานขึ้นว่าวัชีจักมีวัชชีจักมีหมายความว่าประเทศวัตชีจักเจริญประเทศวัชชีจักเจริญพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าที่กราอุทานขึ้นดังนั้นหมายความว่าอย่างไรเจร้าฤชวีมหานามะกราภูมิว่า นิจชวีกูมาหนุ่มๆเหล่านี้เป็นผู้ดุร้ายหยาบคายชอบกินแย่งอ้อยพุทธาขนมหรือสินของต่างๆซึ่งเป็นของขวัญสําหรับส่งไปยังตระกูลนั้นๆบางทีก็ชอบรังแกสตรีมีอาการขนองดุร้ายต่างๆแต่ว่าบาัดนี้มาประคองอัญชลีสงบเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเรียบร้อยฉะนั้นก็เป็นอันหวังว่าประเทศวัชีจกเจริญพระพุทธเจ้าตรัสว่า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 สักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาด้วยพวกทรัพย์ที่แสวงหามาได้โดยธรรมมารดาบิดาผู้ได้รับความสักการะเคารพนับถือบูชาเขาย่อมอนุเคราะห์เืใจอัน ง, งามว่าให้เจ้าดำรงชีวิตอยู่รักษาชีวิตอยู่ตลอดเวลานา น, านข้อสองสักการะเคารพนับถือบูชาบทภัญญาทาตกรรมกรและบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยทรัพย์ที่แสวงหามาได้โดยธรรม ชนเหล่านั้นได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอัน ง, งามคือคิดตั้งใจให้เจริญอายุเหมือนอย่างนั้นข้อสสักการะเคารพนับถือบูชาผู้คนผู้เป็นเจ้าของนาใกล้เคียงกันประกอบการงานในเขต น, นาที่ใกล้เคียงกันและเจ้าหน้าที่รังวัดที่นาทั้งหลายผู้คนเหล่านั้นได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่างนั้นข้อสี่ ส yani so so ักการะเคารพนับถือบูชาเทพยดาผู้รับพรีด้วยพวกทรัพย์ที่แสวงหามาโดยธรรมเทพยดาผู้รับพรีได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่างนั้นข้อหสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์ด้วยทรัพย์ที่แสวงหามาได้โดยธรรมสมณพราหมณ์ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่างนั้นต้ลฉบตรใดๆ เมื่อมีธรรมห้าประกาศนี้ครอบครองความเป็นใหญ่ในตระกูลนั้นๆในที่นั้นๆก็ย่อมหวังความเจริญได้ไม่ต้องหวังความเสื่อมในพระพุทธภาษิตนี้ใช้ศัพท์ว่าสักการะเคารพนับถือบูชาเหมือนกันหมดทั้งห้าจำพวกกล่าวโดยส่วนรวมก็คือให้มีความนับถือตามฐานะไม่ดูหมิน่นและทาความเกื้อกูลบุคคลทั้งห้าจำพวกนี้ตามฐานะจำพวกที่หนึ่งก็ได้แก่มารดาบิดา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 ก็หมายความเลยทั่วไปว่ามีการนับถือตลอดถึงบุคคลผู้อยู่ใกล้เคียงกันผู้ประกอบการงานร่วมกันและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ตนจะต้องเกี่ยวข้องจำพวกที่สีก็คือพวกเทวดาที่รับพรอันนี้ก็หมายถึงเทวดาที่นับถือกันมาตามตระกูลก็เป็นว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุวัตให้มีการปฏิบัติต่อเทพบดาตามที่เขานับถือกันด้วยไม่ใช่ค้านไปเสียทีเดียว